ข้ามโตกนี้ไปฝั่งโน้นอีกนิดเดียวก็จะถึงดินโป่งเป็นโป่งชั้นดีมากเมื่อวานนี้ผมลืมนึกถึงโป่งนี้ไปเลยไม่ได้มาสำรวจที่นี่บริเวณนี้อาหารสมบูรณ์สำหรับมันหรือเกินมีทั้งกล้วยป่าทั้งดินโป่งถ้างั้นเรามีหวังตามพบเร็วกว่าที่กะไว้หัวหน้าคณะเดินทางพูดอย่างตื่นเต้นก่อนที่รปินจะเอ่ยเช่นไรนั่นเองแง่ า, ายกับเกิดที่แยกกันตรวจรอยไปทางซุ้มไม้อีกด้านหนึ่งก็ร้องเรียกมาเบ า, เบา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 ถ้าสามารถรวมหัวกันเข้าสู้โดยไม่คิดหนีแล้วก็ศัตรูของมันก็ไม่มีทางแม้เสือจะขย้ำอยู่บนคอของอีกตัวหนึ่งอีกหลายๆตัวก็ช่วยกันกระชากลงมาได้เสือตัวนี้แทนที่จะกินพวกมันได้อย่างที่คิดไว้ก็เลยเป็นฝ่ายเละไปเชี่ฐากับชายยานคลางออกมาอีกครั้งหลี่ตามองดูซากเสือใหญ่ตัวนั้นอย่างสยองใจไอ้ช้างโขลงนี้นี่ไร้กาดเอาเรื่องจริงๆไม่หว่นหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้น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 ซึ่งจะพยายามต่อสู้เพื่อป้องกันลูกไปเพียงตัวเดียวตามลำพังโดยไม่มีโขรงเข้าช่วยและส่วนมากก็ต้องเสียลูกไปทุกทีเพราะเสือฉลาดมีเล่เหลี่ยมเหนือกว่าผมก็เพิ่งเห็นโขรงไอ้แหวงนี่แหละที่ช่วยกันลุมถึงเสือเสียเละไปทั้งตัวนี่แปลว่าเป็นรอยใหม่ที่สุดของโขรงไอ้แหวงที่คุณพบใช่ไหมครับตอนที่ผมเดินกลับแคมป์ที่โป่งน้ำร้อนเมื่อคืนนี้ไอ้แหวงก็พาโขลงเดินอ้อมเขามาอีกด้านหนึ่ง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 กล่าวจกกระพินก้าวรุดหน้ากระโดดเหยียบก้อนหินเล็กๆที่งอกอยู่กลางแอ่งน้ําใสไต่ ต, ตลิ่งของฝั่งตรงข้ามขึ้นไปตามราห้วยดาดินสุดตัวลงวักน้ําในแอ่งขึ้นรูปหน้าก่อนจะตามไปเป็นคนสุดท้ายโดยมีแง่ทรายคุมอยู่เบื้องหลังทั้งหมดปีนตัดจากราห้วยขึ้นบริเวณเชิงเขาตอนหนึ่งแล้วเดินเลาะตามผลทางอันเอียงชันลบไปด้วยเถาวันและพงน้ําร่องรอยของช้างโขงที่นําไปก่อนแล้วมองเห็นอย่างถนัด เพราะป่าโบว์วงเป็นทางซ้ำยังมีรอยเลือดของช้างเจ็บจากเขี้ยวเล็บของเจ้าเสือตัวนั้นทิ้งไว้ให้เห็นเป็นระยะรอยเลือดนี้ค่อยๆจางลงเป็นลำดับในที่สุดก็ขาดหายสนิทไปคงเหลือไว้แต่รอยเท้าของพวกมันในที่สุดทิศ ท, ทางนั้นก็นําเข้าไปสู่ดงเถาวัลขนาดใหญ่แต่ละเถาที่เลื้อยคดเคี้ยวไปมามีลําต้นใหญ่ขนาดน้าแข้ง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 โป่งแถบนั้นเป็นรอยร่วนซุยไปหมดราวกับใครเอาแท็กเตอร์มาไถพรวนพรานใหญ่เกิดและแง่ทรายแยกกันออกตรวจอย่างถี่ถ้วนนอกจากรอยช้างและสัตว์ประเภทเก้งกวางแล้วก็เห็นมีแต่รอยกระทิงฝูงใหญ่ย่ำไว้เป็นเทือกเมื่อตอนเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองเอไม่มีวิแววของไอ้ทรารพีตัวนั้นเลยหรือมันจะแยกทางกับไอ้แหวงเสียแล้วจอมพรานพึมพามเหมือนจะบ่นกับตนเอง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 เขาไม่ได้มองมาที่หล่อนสายตาสอดสายไปรอบด้านสีหน้ามีกังวลเล้นรับยากที่ใครจะเข้าใจบางคนอยู่ในป่ามาตั้งแต่เกิดยังแยกไม่ถูกว่ารอยไหนเป็นรอยวัวแดงกระทิงหรือควายป่าควายบ้านบางคนไปเจออาควายบ้านที่เลี้ยงไว้บังเอิญหลุดเข้าป่าอย่างที่เรียกกันว่าควายเพลิดก็ยังนึกว่าเป็นควายป่าแท้ๆไปความเคยชินหรือชำนาญเท่านั้นที่จะบอกได้ถึงแม้มันจะระไม้ใกล้เคียงกันที่สุด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 ยังไม่ทันจะขาดเสียงพูดของดารินก็ปรากฏเสียงฝ้าสนานขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดและพริบตานั้นเองป่ารกบนเนินเหนือบริเวณโป่งห่างไม่เกิน2ี่บว่าก็หักโครมคืนรูละเนนลงมาชนิดแผ่นดินสะเทือนเงาทมินสีดำสนิทมองดูยังกับภูเขาทั้งลูกควบตะบึงลงมาอย่างรวดเร็วจนทุกคนดูไม่ทันเห็นแต่เพียงเขาวกว้างใหญ่โค้งแหลมบนศีษะพุงดิ่งใกล้เข้ามาเหมือนสายฟ้าแรบ แว บ, บเดียวที่รพินเหลือบตาเขาก็ตะโกนสุดเสียงประสานกันขึ้นกับเสียงเอะโวยวายของเกิดซึ่งอุทานออกมาไม่เป็นภาษาด้วยความตกใจรบเร็วดารินยืนอยู่เบื้องหน้าเขาใกล้กว่าคนอื่นที่สุดหล่อนเห็นพร้อมเขาและตะวัดไรเฟ้นขึ้นแต่กระช่ากลางลำตัวปลิวร้มฟาดลงริมจอมปลวกใหญ่ไลเฟืที่ในมือที่ยกขึ้นกระเด็นดุดไป เชษาดีดตัวด้วยสัญชาตญาณหลบภัยรอยข้ามซุ้มไม้ไปลิ้งอยู่ในพงรกต่อนหนึ่งส่วนชายยันกระโจนเข้าหาโคนไม้ใหญ่ด้านตรงข้ามแง่าสายได้เกิดก็เพนหวือแยกออกจากกันไปคนละทางด้านธรรมชาติอันเจนภยัยผูกเขาย่อมย่อมลูกที่ควบตะปึงปานพายุบุกแคลมลงมานั้นผ่านเกิดได้แง่าสายไปยังบุดวิดผ่านริมด่านสองด้านที่เชิากับชยยนแยกกันหลีกหลบ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 หันมาทางพรานใหญ่หัวเราะให้เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นบอกเรียบๆว่าขอบใจที่ช่วยไว้ได้อย่างวุดวิบและหวังว่าคงไม่โกรธนะที่เมืองตะกกี้ห ย, ยกนี่ฉันแย้งคุณว่ามันอาจจะเป็นกระทิงก็ได้ที่ตามหลังไอ้แหวงก็บอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าไม่ใช่อวดดีสูรู้เพียงแต่ออกความเห็นเท่านั้นเมื่อตะ ก, กี้นี้เองก็เห็นมันไม่ถนัดหรอกเห็นแต่ว่ามันใหญ่เหลือเกินและเขาของมันขิดเฉี่ยวสันหลังคุณไปแค่ฝ่ามือเท่านั้น ตอนที่มันพุ่งลงมาฉันก็ยิงสวนหน้าแล้วพอดีคุณกระชากล้มลงเสียก่อนทำไมคุณไม่ปล่อยฉันยิงระยะกับฉันชิดโจรตัวอย่างนั้นอย่าว่าแต่จุด470เลยครับต่อให้จุด600ูนโ์ศ์ในโจคุณหญิงก็มีหวังแหลกเหลวไปก่อนที่จะหยุดมันได้แล้วเขาก็หันมาทางเชษฐาและชา ย, ยันถอนใจ ย, ยาวไอ้ถลเเจ้ากรรมนั่นทาลายพิธีของเราเสียแล้วครับ ความจริงไอ้แหวงอยู่ห่างจากเราข้างหน้านี่นิดเดียวเท่านั้นถ้ามันไม่พุ่งเข้าเล่นงานเราจะ ก, ก่อนดีไม่ดีก่อนข้ามนี่เราอาจตามไอ้แหว่งทันนี่มันรู้ตัวเสียแล้วเปิดอ้าวไปโน่นเราก็เพิ่งรู้ว่าไอ้แหว่งอยู่ใกล้ๆเราเพราะไอ้ควายป่าตัวนี้แหละตรงตามที่คุณคะเนไว้ทุกอย่างเพียงแต่ไม่คิกว่าเราจะพบมันรวดเร็วถึงเพียงนี้เท่านั้นผมช่ากเอจใจแล้วพระสังเกตเห็นคุณมีท่าสาสาอะไรสักอย่างหนึ่ง ป่ามันทึบเสียจนเรามองอะไรไม่เห็นพวดพลาดมันก็ถึงตัวเสรยจแล้วแสดงว่ามันเห็นเราและจ้องคอยจังหวะอยู่ก่อนนิสัยควายป่าเป็นอย่างนี้แหละครับชอบล่อคนเข้าไปในป่ารกแล้วซุ่มนิ่งรอจังหวะพุ่งเข้าใส่มารู้ว่าในที่รกทึบคนกับตัวไม่ทันผมว่าจะเตือนให้รู้แล้วแต่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะพบมันรวดเร็วถึงเพียงนี้ครับคล้ายครับคลายอยู่เหมือนกันว่า พงบนเนินนั้นไหวนิดๆพอจะเพ่งให้แน่มันก็ฟืดลงมาใส่สำหรับไอแหวงนะ่ะสบายแล้วครับลองได้ติดหลังกันกระชั้นชิดมาแบบนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มาเลืนเป็นได้พบกันแน่ตามได้อย่างสบายใจไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปนักไอควายยักษ์ตัวนั้นเถอะมันจะเพ่นไปเลยหรือว่าจะยังป้วนเปี้ยนอยู่อีกก็ไม่รู้ผมน่ะไม่หนักใจแหวงหรอกหนักใจเจ้าทราพีนี่มากกว่าชา ย, ยานคราง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 ผมคิดว่ากระสุนจุดของคุณชายมากกว่าถ้าเป็นกระสุนจุดศูนย์นไนโตรแผ้ควรจะจัดการกว่านี้น่าเสียดายเหรือเกินเบี่ยงอีกนิดเดียวเท่านั้นมีหวังคว่ำอยู่กับที่หัวหน้าคณะเดินทางเป่ารมออกจากปากถ้าถูกของผมก็แปลว่าฟลุกอย่างที่สุดเพราะไม่เคยคิดเลยตอนยิงออกไปก็รู้ๆอยู่ว่าส่งเดเต็มทีก็เห็นว่ามันควบริว้วเป็นพายุไปด้วยอาการปกติ ไม่มีสต๊กกระเทือนอะไรเลยจนนิดเดียวนี่ดีว่าเกิดกับแงซทรายตามมาดูจึงเห็นรอยเลือดเข้าไม่งั้นก็ไม่รู้ชัยยันเอื้อมือไปตบไหล่เชิฐานหนักๆแล้วจับมือเขยา่ามือแกมังตามเคยเชิฐาขนาดไม่คิดว่าจะถูกก็ยังถูกได้ดีเหลือเกินที่มันหมายเข้าเล่นงานโดยที่เราไม่ได้ทาอะไรมันก่อนแล้วมันก็ได้เลือดไปแต่คราวนี้ละ่ะมันเตรียมคิดบัญชีเราหน้าชมทีเดียว ฉันเคยตามกระทิงลำบากกับพระพินมาแล้วคราวนั้นรู้รสชาติทราบซึ้งดีแต่นี่มันเป็นเจ้ามะหิงสาร้ายกว่ากระทิงเจ็บหลายเท่านักจะตามไหมครับเจ้านายลอยเลือดพอมีให้ตามได้สบายทีเดียวและลงถูกเจ็บเขาแบบนี้มันก็จะไปหาปรักลงแช่โครนตามไม่ยากนะักเกิดถามขึ้นอย่างกระหายแช่ถ่ายกมือขึ้นรูปคางจำเบืองไปทางระพินเหมือนจะขอความเห็น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 ก็ต้องยอมจำนนต่อเหตุผลอันรอบคอบรัดกุมของเชี่ยธาปล่อยมันไปก่อนแล้วพินเป็นอันว่าติดหลังไอแหว่งต่อไปตามเดิมชายยันหันมาตบไหร่จอมพรานบุกขึ้นไปตามรอยเดินของช้างที่เป็นทางอยู่ก่อนแล้วสองฟากทึบไปด้วยป่าทาวันและไม้ใหญ่แล้วก็ยึดด้านใหม่ซึ่งไม่สู้จะ ก, กว้างนักลักษณะเป็นเส้นทาง อ, อพยพของสัตว์มากกว่าจะใช้เป็นทางเดินหากินโดยปกติ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 ทั้งๆ ท, ที่รอบด้านห่างออกไปในรัศมีวงกลมประมาณห้าเมตรเกลื่อนรกไปด้วยใบยไม้และกิ่งไม้แห้งอันเป็นธรรมดาของป่าดาลินหยุดชะงักจ้องมองไปที่รานเกลี้ยงนั้นอย่างสงสัยตามนิสัยที่รอบคอบช่างสังเกตของหลอนแล้วก็เดินตรงเข้าไปพิจารณาดูพลอยพาให้คนอื่นชะงักและเดินตามหลอนเข้ามาด้วยหญิงสาวกว่าสายตาไปรอบๆเอ๊ะแปลกจริง ดูนี่สิยังกระใครมากวาดไว้งั้นแหละเออจริงด้วยชายยันอุทานขึ้นอีกคนอย่างงงงส่วนเชิถาพอมองเห็นรานเกลี้ยงบริเวณนั้นก็แงนมมองค้นหาขึ้นไปบนยอดไม้รอบด้านซึ่งเงียบสงัดแล้วมองไปทางระพินผมเคยรู้มาบ้างว่านกว่าตัวผู้มักจะทำลานไว้สำหรับรำแพนเรียกตัวเมียบุกมาหลายป่าแล้วอย่างมากก็แค่ยิงได้ตัวมัน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 ก็เจ้านกว่ารูปร่างเหมือนนกยูงแต่ขนสีน้ําตาลที่เราพูดถึงการเมื่อเย็นวานนี้ยังไงมันเป็นนกที่มีธรรมชาติแปลกอยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะตัวผู้มักจะทําลานของมันไว้โดยเฉพาะสําหรับลงมากรีดกรายลําแพนและนอนพักมันจะหมั่นดูแลรานของมันให้สะอาดอยู่เสมอขนาดใบไม้ตกเข้าไปสักใบมันก็จะจิกหรือคุ้ยเคียดออกไปพ้นบริเวณทันทีจนดูสะอาดสะอา้านเกลี้ยงกล่าวเหมือนคนมากวาดไว้